วิธีสละ บ, บาตรที่เป็นนิสกีสละแกะสงภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงชว่วยยงบาข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุณีผู้แกพรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าบาตรใบนี้ของดิฉันเกินกำหนดราตรีเป็นนิสกีดิฉันคอสละ บ, บาตรใบนี้แกสงครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุณี ผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัตพึงคืนบาทที่เธอสละให้ด้วยยะติกรมมวาจาว่าแม่เจ้าขอสง์จงฟังข้าพระเจ้าบาดใบนี้ของภิกษุณีชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสลักแก่สงถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงคืนบาทใบนี้ให้แก่ภิกษุณีชื่อนี้สลักแกคณะภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีหลายรูปห่มอุตราสงเฉวียงบาข้างหนึ่ง กลับเท้าภิกษุณีผู้แก่พรนสานั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าทั้งหลายบาดใบนี้ของดิฉันเกินกำหนดราตรีเป็นนิสกีดิฉันขอสละบาดใบนี้แก่แม่เจ้าทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนบาด ท, ที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าแม่เจ้าทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าบาดใบนี้ของภิกษุณีชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแล้ว แก่แม่เจ้าทั้งหลายถ้าแม่เจ้าทั้งหลายพร้อมกันแล้วพึงคืนบาทเบรนี้ให้แก่ภิกษุณีชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุณีรูปนั้นพึงก็ไปหาภิกษุณีรูปหนึ่งหอมอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าบาทเบรนี้ของดิฉันเกินกำหนดราตรีเป็นนิสกีดิฉันขอสละบาทนี้แก่แม่เจ้า ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุณีผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัติแล้วคืนบาทที่เธอสละให้ด้วยการกล่าวว่าดิฉันคืนบาทนี้ให้แก่แม่เจ้า